ใครเห็นพรุ่งนี้บ้างพรุ่งนี้ไม่มีมีแต่วันนี้มีใครเห็นพรุ่งนี้ไหมเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่ปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตก็ดีปัจจุบันดี อ, นดจจนดอดีตก็ดีชีวิตก็มีเท่านี้นาทีนี้วินาทีนี้ เราจะทำอย่างไรเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงความรู้สึกตัวหลวงพ่อคำเขียนสวนโน ประเด็นที่วันนี้จะนำมาพูดคุยเนี่ยต้องเล่าที่มาสักนิดหนึ่งนะคะ ค, คือว่าได้แอบไปนั่งฟังท่านอาจารย์วศินนะคะคุณหมอท่านสอนพระไตรปิฎกอยู่ที่มหามงกุฎ ร, ราชวิทยาลายัยซึ่งก็อยู่ที่วัดบวร น, นะคะคแล้วก็เลยได้เก็บเกี่ยวแง่มุมบางส่วนบางตอนมาแบ่งปันกับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรา ประเด็นก็มีอยู่ว่าท่านอาจารย์ได้เอ่ยถึงคำพูดของท่านมหาธรรมคันธีตอนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าการที่คนเราเนี่ยมีอะไรมากเกินไปถือว่าเป็นการขโมยประเภทหนึ่งคุณหมอฟังแล้วจะรู้สึกเป็นประการใดคะแต่ในที่ประชุมวันนั้นนะคะหลายคนค่ะรับฟังแล้วก็งงอ้าวจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อ สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเราหามาได้ด้วยกําลังความสามารถของเราเองอย่างสุจรินมิเด็ดไปโคดไปโกมใครมาแล้ะจะว่าเป็นการขโมยได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ้ยใครจะขยันล่ะอเพราะว่าพอมีทรัพย์สินมากเกินไปเนี่ยก็จะถูกกล่าวโจทว่าเป็นขโมยไปได้อย่างนี้สู้ขี้เกียจหลังยาวนั่งงอมืองอเท้าจะไม่ดีกว่าหรือคุณหมอว่าไงล่ะคะก็ เป็นคําพูดที่น่าจะพิจารณาเพราะว่าโดยเฉพาะกล่าวมาจากคํากล่าวของผู้ที่ไม่ธรรมดา <c oughs> คํากล่าวอันนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนานเสิคะต้องใช้ปัญญาหน่อยจริงๆแล้วผมว่าท่านอาจจะหมายถึงอย่างอื่นนะครเพราะว่าการมีทรัพย์สินการมีเงินทองมากๆหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าวัตถุอะไรต่างๆเนี่ย ผมเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่มีครับ<อ>ผมว่าปัญห า, ามันอยู่ตร ง, ตรงใช้ครับเพราะว่าถ้ามีเยอะๆแล้วไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยเนี่ยผมว่าอันนั้นนะ่ะเราจะทำตัวเหมือนขโมยไปโดยปริยายค่ะเพราะว่าการที่เราครอบครองเอาวัตถุต่างๆไว้กับตัวเองมากๆทรัพย์สินเงินทองที่นาที่ทำกินอะไรต่างๆเนี่ย มันเหมือนการกักฮสิทธิ์ของคนอื่นไปโดยปริยายใช่ไม้มเพราะว่าทรัพยากรเหมือนเค้กก้อนหนึ่งนี้ถ้าใครจํานวนประชากรมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมีส่วนเข้าถึงเค้กก้อนนั้นแต่ทีนี้ถ้ามีคนกล้ามใหญ่คนหนึ่งน ะ, ะมากวาดเค้กไปหาหรือว่ายึดไว้แค่คนเดียวคเค้กที่เหลือนี่ก็ต้องถูกเกลียดนะฮะ ไปสู่คนอื่นในปริมาณที่น้อยลงค่ะนะครับงั้นถ้าเกิดว่ามีแล้วยึดถือครอบครองไม่ใช้จ่ายออกไปให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองอย่างแท้จริงแล้วก็ต่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแล้วก็สมควรนะฮะคือทำตัวเป็นขโมยโดยปริยายนั่นะครับเพราะฉะนั้นประโยค น, นี้เนี่ยห้ามฟังแล้วจอดนะคะคฟังแล้วต้องต้องพิจารณานะคะว่า ความหมายของข้อความตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรเท่านั้นนะคะคแต่มีส่วนลึกที่จะต้องพิจารณาด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เราข้ามพ้นขั้นตอนของการหามาแล้วนะครับที่ศีลนา ค, นะคือถ้าหามาด้วยสุจริตด้วยซ้าไปนะฮะนี่ะนะเรียกว่ายกเว้นไปเลยว่าพวกที่ได้มาโดยทุจริตนี่ก็นนหรือว่าไปไเป็นขโมยโดย เต็มขั้น okay, okay. นะะอันนี้แตาขนาดว่าได้มาโดยสุจริตเนี่ยแล้วก็ยังหวงแหนนะยังยึดถือครอบครองไม่ใช้จ่ายออกไปให้เกิดประโยชน์โดยให้มีสาระจริงๆแล้วเนี่ยก็โดยอัตถะหรือว่าโดยนัยยะก็ยังคงเป็นขโมยอยู่ใกลๆนั่นเองะนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไว้เังน้นตัวสำคัญก็คือการใช้ออกไปนะใช้ออกไปทำประโยชน์ ผมเคยอ่านนะในหนังสือของอาจารย์วสินหลายตอหลายบทที่ท่านยกตัวอย่างนะเศรษฐีในสมัยครั้งพุทธกาล ก, ก็ตามหรือว่าครั้งก่อนๆ ก, ก, ก็ตามเนี่ยนะที่มีการใช้จ่ายทรัพย์นะอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยล้วนแต่มีทุกคติเป็นที่ไปทั้งนั้นฮะยกเว้นคนที่กลับตัวได้ก็เรียกว่ารอดจากวิบัติไปได้เหมือนกันะนะครับเพราะการบริหารทรัพย์สินเนี่ยผมว่า ต้องบริหารด้วยปัญญาค่ะนะถ้าเราบริหารอย่างการขาดสติหรือว่าไม่มีปัญญากํากับเนี่ยบางทีทับโทษเราฮะต้องบริหารแบบสายตายาวด้วยใช่ไหมคะครับบริหารแบบคิดมากค่ะไม่อยากคิดสั้นค่ะนะว่าคิดให้ยาวๆไกลๆสักนิดหนึ่งครับค่ะต้องคิดเผื่อพบหน้าชาติหน้าไว้ด้วยค่ะนะครับคิดถึงวันหลังคิดถึงวันหน้า นะครับว่าที่มาของทรัพย์ที่ไปของทรัพย์ที่เราควรจะใช้ประโยชน์เพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นของคู่โลก <นะ S 1> ของคู่โลกในความหมายอันนึงก็คือว่ามันเป็นของที่ติดตัวเราไปไม่ได้มันเป็นของที่ต้องทิ้งไว้เหมือนคําโบราณที่ว่าสมบัติผลัดกันชมอย่างนี้นะคะครับงนั้นถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนทรัพย์นั้นเป็นอริยะทรัพย์ภายในเนี่ยเรียกว่าไม่แปลงสินทรัพย์เป็นทุนไว้ก่อนเนี่ยนะ เราก็จะคว้าน้ําเปล่ายิ <c oughs> ่งกว่าน้ําเปล่าอนะีกฮะควาอากาศต่อเปล่า <c oughs> นะคือวืดไปชาติหนึ่งค <c oughs> นั้นถ้าเรามีทรัพย์แล้วเรารีบเปลี่ยน <c oughs> นะใช้จ่ายทรัพย์ให้ทานทําประโยชน์ <c oughs> นะสูงสุดต่อผู้อื่นเนี่ยความเป็นทรัพย์หรือว่าความเป็นบุญ น, นั้นเนี่ยมันก็จะย้อนเข้ามาสู่ตัวเราเองค <c oughs> แต่ถ้าเราได้แล้วเรายึดถือไว้เนี่ยมันจะกันโอกาสของคนอื่น <c oughs> นั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมก็มองว่าโลกเราเนี่ย การที่มีคนจนๆก็ดีเหมือนกันนะค่ะใช่ไหมฮะการ<ด>ที่มีอขอทานก็ดีเหมือนกันอ้าวดียังไงคะคุณหมอเอายกตัวอย่างนะะค่ะการที่พระสงฆ์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเปรียบโดยลักษณะของการเป็นอยู่หรือว่าการอาศัยโดยอาศัยปัจจัยสี่หรือว่าโดยเฉพาะอาหารเนี่ยนะใช่ไฮะถ้าเปรียบเทียบไปโดยอาการนะก็เหมือนผู้ขอผู้หนึ่งค่ะใช่ไหมฮะ แต่ทำไมเวลาเราตักบานเนี่เรายังต้องไหว้พระใช่ไม้มฮะทำไมเราต้องไหว้พระทั้งนี้เพราะว่าอะไรพระเปิดโอกาสให้เราทำความดีจะเปิดโอกาสให้เราทำบุญทำให้จิตใจของเราเนี่ยอิ่บเ อ, อิบเบิกบานนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีคนจนการที่ทำให้มีออขอทานหรือว่าทำให้มีคนที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆ้วเป็นโอกาสทองของคนที่จะทำความดีนะ เราต้องรีบไหวคนเหล่านี้นะครับนั้นเวลาให้ทานเวลาทําทานเวลาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยต้องขอบคุณเขาน ะ, ะต้องทําทานด้วยความเคารพต้องขอบคุณเขาที่เป็นโอกาสที่ดีของเราเลยในการที่เราจะใช้ช่วยเหลือเพื่ อ, อนเราช่ไหมคะนะเป็นการสั่งสมทรัพย์ภายในของเราเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปะนะครับนั้นการที่เราพยายามจะทําให้ความจนหมดไปจากโลกนี้ ทําให้ปัญหามันหมดไปจากโลกนี้เนี่ยผมว่าจริงๆอาจจะอาจจะไม่ใช่จะไม่ค่อยดีนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าต่างคนต่างมีทรัพย์สินมากมายเนี่ยต่างคนต่างอยู่ด้วยตัวเองทั้งหมดนะค่ะความเป็นมนุษย์จะลดคุณค่าลงไปให้มีนี่นะเราจะทําตัวเหมือนกับเหล่าเทวดาต่างคนต่างมีไม่มีแสไม่มีเยื่อะใยญต่อกันและกันเลยอยู่ได้ด้วยบุญของตัวเองแต่ขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคุณบอกยกตัวอย่างดีจังเลย เหมือนเทวดาเทวดาเขาจะไม่เกี่ยวข้องกันเหรอคะครับเทวดาเขาก็อยู่ได้ด้วยบุญชาวคนต่าง<ข>กินบุญของตัวเองไปฮะอยู่ได้บุญของตัวเองไปแต่มนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ะ ต, ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะแต่ละคนแต่ละแหล่งเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสามารถใช้เป็นฐานของการทําความดีได้ทั้งสิน้นเออย่างนี้แล้วคนที่อยากเป็นเทวดาก็คิดผิดสิคะคุณเอ ก็มีคำกล่าวของครูบาอาจารย์สอนไว้มากมายนะในธรรมบทก็มีว่าเทวดาเวลาจะจุดติเนี่ยนะฮะค่ะถ้าเขาทราบล่วงหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะนะแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าตายแล้วขอให้เกิดเป็นเทวดานะใย่ค่ะแต่ว่าสุคติของเทวดาคือมนุษย์นะครับที่สี่นะแต่สุคติของมนุษย์เราก็มีอยู่สองอันก็คือไปเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนนะหรือว่าไปเป็นพระพรหม Oh, okay. ใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> นั้น <Okay. S 2> จริงๆแล้วผมว่าโลกเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ความสมบูรณ์ของมันเนี่ยได้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องอาศัยปัญญาล้วนๆเลยครค่ะนี่ปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมันมาจากการที่เราเฝ้าสังเกตตัวชีวิตคือตัวเราเองนะการที่เรารู้จักตัวเราเองการที่เรารู้จักหยุด แล้วรู้จักพอภายในใจของเราเนี่ยทําให้เรามีส่วนเหลือครับเพศศีรษะค่ะถ้าเราไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอเนี่ยมันจะไม่มีส่วนเหลือมันมีแต่ส่วนพล่องส่วนขาดอยู่เป็นนิดค่ะมีอยู่ข้างนอกท่วมท้นแต่ว่าข้างในมันยังขาดอยู่ค่ะนะแต่ถ้าเกิดเรารู้จักพอเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดการหยุดการแสวงหานะใช้ปัจจัยสี่เท่าที่จําเป็นต้องใช้แล้วแล้วมันจะมีส่วนเหลือโดยอัตโนมัติค่ะนั่นส่วนเหลือเนี่ยเราสามารถไปทําประโยชน์ได้เยอะแยะมากมาย นะครับผู้รองตัดได้ว่าสันตถีปรมังทนังใช่ไหม <Okay. S 1> ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะครความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งงั้นความเป็นผู้มีทรัพย์อย่างยิ่งความเป็นเศรษฐีเนี่ยถ้าวัดโดยจากทรัพย์สินเงินทองข้างนอกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากนะแต่ว่าเศรษฐีภายในนี่หายากนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่ง ใครจะมีครบทั้งสองอย่างได้เนี่ยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนาแล้วก็น่าจะเชิญชวนพากันให้มีเยอะๆนะคะคุณหมอเพราะจริงๆถ้าเราดูว่าทรัพย์สินเงินทองที่มันมีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยมผมว่ามันเกินใช้อะ่ะฮะแต่ปัญหาทุกวันนี้ที่มันไม่พอใช้เนี่ยเพราะว่ามันไปอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่คนคแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่กระจาย ใช่ไหมเอาเศรษฐีเมืองไทยมารวมกันเนยะรวมเงินกันแล้วขยากไว้สำหรับตัวเองใช้ชาตินึงเนี่ยเอาชาติเดียวพอนะคะเอาชาติเดียวพอเพราะมันใช้ได้อยู่แค่นะั้น <c oughs> ที่เหลือเอามาหารแบ่งกันนะฮะ <c oughs> ผมว่าคนไทยอาจจะไม่มีใครจนเลยก็ได้โดยอัตโนมัติด้วยนะ <c oughs> อาจจะไม่ลำบากอากเอาแค่ว่าให้เขามีปัจจัยสี่เพียงพอเนี่ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าที่มันยากทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันยึดคลองกันค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ นะครมันเป็นวิบากของแต่ละคนเป็นวิบากของสังคมเป็นวิบากของโลกที่มันต้องหมุนของมันอย่างนั้นค่ะไม่งั้นมันก็ไม่ชื่อว่าโลกนะครับพี่จีนีน่าเอางั้นเลยนะคะครับค่ะก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราพูดคุยแบ่งปันกันถึงเรื่องของการใช้สอยทรัพย์สินนะคะว่าไม่ว่าเราจะหามาได้โดยวิธีใดแต่ถ้าเรามีมากเราก็ควรจะแบ่งปันเจือจานเกื้อคุนแก่ผู้อื่นที่มีน้อยกว่าอย่างงั้นถูกต้องไหมคะครับ เพจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราให้ออกไปเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเรามีความหวงความตระหนี่อยู่เนี่ยความหวงความตระหนี่อนั้นเนี่ยจะถูกขัดเกลวใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเป้าหมายของการให้ทานการารักษาศีลหรือว่าการภาวนาก็คือว่าลดกิเลส ต, ตัณหาลงไปนั่นนะครับลดกิเลส ต, ตัณหาอุปาทานลงไปให้เจือจางลงไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งผลจากการที่สิ่งเหล่านี้ลดลงเนี่ยก็คือความสงบสุขภายในจิตใจของเรามากขึ้น นะเป้าหมายคือสิ่งที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็เพื่อที่จะชี้แนนะหรือว่าชี้นําเนี่ยให้เราพุทธบริษัทเนี่ยเดินทางไปสู่ภาไม่มีทุกข์โดยสิ้นเชิง ค, คือที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นแหละครับนั้นเป้าหมายของทุกๆชีวิตที่ควรดาเนินคือไปอยู่ตรงนั้นทีีศ ท, ทางเดินเนี่ยที่เรามีอะไรอยู่เราจะเป็นปัใจจัยในการที่จะค้้มจุนหนุนส่งไปทางนั้นได้เนี่ยใครจะทําได้มากได้น้อยนี่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ใช่ไหมแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือลดกิเลสนะลดความหวงความเจ้าหนีพอเราทํามากขึ้นมากขึ้นใจเราก็มีความสงบเย็นขึ้นโดยอัตโนมัตินะมีความอิ่มอกอิ่มใจความสงบสุขเมื่อใจมันเป็นสุขมันก็ง่ายในการที่มันจะเกิดสมาธิง่ายในเกิดที่จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นมา เนี่ยมันเป็นกระบวนการสืบเนื่องกันอย่างเงี้ยครับพี่สนีนาค่ะทีนี้ตามที่ผมเข้าใจนะก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากที่ท่านอาจารย์วสิณเฉลยนะคะครับท่านอาจารย์วสิณก็เฉลยในแนวที่ว่าทรัพยากรของโลกเนี่ยมีอยู่จํานวนจํากัดถ้าเผื่ว่าไปอยู่ในความครอบครองของใครนในคนใดคนหนึ่งแล้วไม่แบ่งปันก็คูณออกไปก็จะทําให้คนอื่นที่เหลือนะคะขาดโอกาสที่จะได้บริโภคทรัพยากรนั้นๆนะคะก็ประมาณเดียวกัน ก็เลยเหมือนกับว่านําไปกักตุนหรือว่าขโมยไปไว้ใช้สอยในเฉพาะส่วนตัวหรือพวกพ้องของตัวเองเท่านั้นนะคะคก็เลยทําให้คนอื่นนี้ขาดแคลนขาดโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์ไปด้วยก็ถือว่าไม่เหมาะไม่ควรและท่านก็ยกตัวอย่างเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันแบบที่คุณหมอเล่ามานะคะคว่าเศรษฐีสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เลยนะคะคจะมีแล้วแจกนะคะมีแล้วให้มีแล้วทำบุญมีแล้ทําประโยชน์ บางคนที่ทำจนหมดเนื่อหมดตัวแต่ก็ไม่เห็นหมดจริงครับค่ะแต่ก็มีที่ว่าไม่ให้เลยก็มีไม่ให้เลยก็มีแต่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีคะก็มีทั้งตัวอย่างที่ให้ค่ะแล้วก็มีที่ไปค่ะก็คือที่ไม่ให้เลยนั่นก็อย่างที่คุณหมอว่านะคะก็มีทุกขติเป็นที่ตั้งนะคะครับแต่ที่ท่านให้อย่างเต็มที่เนี่ยท่านก็ไม่เห็นหมดนะคะครับให้แล้วก็ยังยังอยู่ได้อะค่ะ แปลว่าบางรายการที่ท่านให้ดูเหมือนว่าโอ้หมดตัวแน่คราวนี้ก็ผ่านไปได้แปลกจริงๆอ่านที่สงเห็นการให้แท้ๆนะคะเนี่ยรับผมว่าอันหนึ่งที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมกำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นการให้นะครับอย่างที่เราว่าก็คือการให้ทำเป็นทานค่ะ ผมว่าเราก็เป็นเศรษฐีอยู่ไกลๆเศรษฐีเพราะาเราให้แ <laughing> หลกเรียกว่าให้แหลกหรือเปล่าก็มีคนหนึ่งอะค่ะขเข้าขินไปสิบับิมาบอกว่าค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยเนี่ยอยากให้สังคมไทยเนี่ยเป็นเศรษฐีทางด้านจิตใจแมฟังแล้วถูกใจมาก <laughs> ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากให้เป็นค่านิยมของสังคมไทยหรือเปล่านะคะคแต่เก๋นะค่ะความคิดเธอเก๋มากอยากให้เป็นเศรษฐีทด้านจิตใจถ้าเป็นจริงได้อย่างที่เธอแนะนํามาเนี่ยแมเมืองไทยคงจะน่าอยู่เซนีิกไรนะคะคุณหมอเศรษฐีทางธรรมหรือว่าเศรษฐีที่เกิดจากศีลธรรมนี่ว่าเป็นเศรษฐีที่น่าส่งเสริมค่ะแต่พูดอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เป้นไปไม่ได้ต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่า่่ดโยสวนจะทําอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็แล้วแต่เรียกว่าภาระกําลังของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับท่าเรืนประเจกชนเนี่ยพอจะเป็นไปได้อ่ะค่ะครับเพราะมีบัวอยู่ใต้น้ำมีบัวอยู่ใต้โคลนไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับพี่สิณีน่าอ๋อไว้ทําไมค่ะอ๋ออย่างน้อยก็เป็นอาหารเต่าอาหารปลาครับโอเคนั้นนะคะครับไม่กินเต่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า เอาไว้เป็นฐานในการทําบุญของผู้มีปัญญาต่อไปนะฮะเป็นเนื้อนาบุญซะครับเป็นเนื้อนาบุญเป็นอาหารของเต่าของปลาของอะไรไปไม่สูญเปล่าแล้วครับอย่างน้อยให้ขอเป็นบัวไว้ก่อนก็จริงอย่างที่คุณหมอว่าแล้ะค่ะนะคะถ้าทุกคนมีเท่ากันหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําทานเนาะค่ะใช่ครับค่ะทำให้เราขาดบ้างเกินบ้างก็เป็นประษาโลกโลกดีค่ะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ย ควาไม่สมบูรณ์หรือว่าความบกพร่องของโลกนั่นแหละคือความสมบูรณ์ในตัวมันเองอ้าจริงด้วยพี่จินีนาพ้าจริงไหมฮะผมเห็นว่าอย่างนั้นจริงๆเลยอะไรอะไรที่มันบกพร่องนั่นแหละโอ้มันสมบูรณ์ในตัวมันเองนั้นแหละไอ้ทํำไมแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้เพราะเราวางใจของเราไม่เป็นเราวางใจไม่ถูกเราเห็นความไม่สมบูรณ์เห็นความบกพร่องเป็นปัญหานะเป็นทุกข์ปันกทุไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา อันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกนี้มันพล่องอยู่เป็นนิด ม, มันไม่สมบูรณ์นั่นแหละ<ช>โอ้มันอะมันคือความสมบูรณ์ของมันแล้วละ<อ>่ะนั่นอย่าทาให้มันสมบูรณ์เลยนะ ใ, ให้มันคงความสมบูรณ์ของมันไว้เนี่ยพอใจอย่างนี้ไปเลยนะค ะ, คะถูกต้องแล้ว